การจับสลากที่ไม่ชอบทำสิบอย่างภิกษุทั้งหลายการจับสลากที่ไม่ชอบทำสิบอย่างที่ชอบทำสิบอย่างเหล่านี้การจับสลากที่ไม่ชอบทำสิบอย่างเป็นฉไหนคือ 1. อธิกรเป็นเรื่องเล็กน้อย 2. ไม่ลุกลามไปไกล 3. ภิกษุพวกนั้นระลึกไม่ได้เองและพวกอื่นก็ให้ระลึกไม่ได้ 4. รู้ว่าอธรรมวาทีมากกว่า 5. รู้ว่าชะไหนอธรรมวาทีพึงมีมากกว่า 6. รู้ว่าสงจกแตกกัน 7. ็ดรู้ว่าชะไหนสงพึงแตกกัน 8. อธรรมวาทีภิกษุจับโดยไม่ชอบธรรมเก้าอธรรมวาทีภิกษุแบ่งพวกกันจับสิบไม่จับตามความเห็นการจับสลากที่ไม่ชอบธรรมสิบอย่างเหล่านี้